พรนะมรกคือกองปรงวัดขนาดนะอดีตนะมันใหญ่มาแล้วคือทางมาบ้างลงทางมาบ้า ง, ม า, างมาในสื่อเทเดขึ้นนะตอนนั้นตอนนั้นพระมหามรนะดกนสะดุงพระไายเรียก็นก็นสามก็าสายนะเมื่อออกจากกันมาไม่น่าตากนะนั่นในทดลองเห็นเช่นเลยะเป็นภัยใหญ่อดีตนะของไม่ซต่องอดิตทํามาสนใจ ให้มาครับปัจจุบันน ะ, ะเป็นเป็นของที่รา้กาณนะ์นะแล้วก็เป็นมานใหญ่นะเป็นนีวอนการีความรคมนะ่คันสง่าในปัจจุบันเห็นมาเห็งโลนะนั่นให้สนใจให้ละอดเดืดนะเมื่อออเดือละได้แล้วลนั่นอนาคตขึ้นมายังอย่าไปสนใจสิ่งใดยังไม่ถึงเราเราจะไปสนใจให้มาทํำลายทำลายไปรำมะในปัจจุบันของเรานะให้ละเถอะ เทยียนักพระนเจ้าท่านบอกว่าอเดิดอนอาเดิดนั้นผถ่ทาลายไปแล้วเรียกเงินแม่น่าเกลียดนัก น, นั่งทองเตืเตือนนะยาอนาคตนะอย่าเป็นสมบัติมานั่งแ่งปัจจุบันแ่งปัจจุบันไปจบไปจบปนายปัดจักรเกตนะแพงแรงกูยุปัจจุบันแห่ ง, ง ค, ความรู้ความกล้าจะม้างายออกเยินงานจะเงยเดียนะห้ธรรมะของพระนเจ้าม เป็นนิยานนิกธามไม่สงวรแต่บะมาเชิดพระพิโสสามเณรนะฤๅษีก็สำเร็จมากแนละ่ครั้งพุทธกาน ะ, นะธรรมะของพระเจ้าเป็นนิยานิยา น, น, านี้นก็ถมหลายองโพธิ์ในกรุงสมุทเธอนี่ครั้งนะัดโพธทนาวจะขาวฟังว่ากรุงสมุทเธอนะพระกรุงสมุทมหาชนเจนะียิชโกร์นะเจียิโพรณ์นะน่น เกิดชกโกนนะนาวเจ้านะไงโป่งเปล่าบรรพราเร่เจ้าห้าโกตะเป็นไม้คาได้เถิดนะนับเคสนพวกงเดรัถยนิทรน่ะสองโกตัดห้าหกเจ็ดนะเจ็ดโกตัดไงนี่เทยมาสัมผัสเจ้พระเจ้าเนาะนะคุณค่ก็สาเร็จได้นะตอนนี้ให้ตั้งใจให้ตั้งใจเข้าสมาธิ จังพาสงบโมเดทายนะ่าจนมันว่าธรรมะธรรมะสว่างรอทั้งกลางวันกลางคืนคนะไม่ปิดไม่บังนะนั่นะพยานาของอวัยวะร่างกายทางเขาแพงอยู่นะนะั่นย่อมแก้ความสงสัยได้นะมันเห็นทุกขังได้จังนันตาความแปรของอวัยวะอยู่เลยๆนะนั่นะ แรปก็ต้องตัดผมเมื่อต้องตัดนะพระแหนะต้องโคลผมนะนั่นเพือผ่าหน้าแพ้กับปือนนะถ่ายถอนด้วยนะนั่นต้องทําระอาบน้ําเรื่อยๆเล ย, เลยนะมันไม่ปิดไม่บงังธรรมะมันเปิดเผยอยู่เช่นนั้นก า, ารยันมันการพูนะนั่นแล้วเท่านี้นะข้างนอกนอตใต้ต้นไม้พูกเขามันเคลื่อนที่นะมันสอนอยู่ทั้งข้างนอกข้างในนะ เ้าแกเกดของเราไม่ได้เท่านั้นเองนะมันเดินนะะนะักเท่านะเงนแก่เกดให้ไปตามศ า, าสนาคำสอนของเราของของข้านพุทธเจ้าไม่ได้ยนะังมันเห็นผิดนะปัญญาเห็นชอบจําไ็นชอบมันเดินมาผิดนะ่ยตัวเป็นก้นนอนโยน้ำห่วงนะหวองอวัยวะอาไม่ลูกก็หวงลูกไม่เมียก็หวงเมียแล้วเนะหวงขวาแล้วเนะไม่เินไม่ทองหวงกันใะหญ่โตนบววายนะนะ่ มันแสดงอยู่เรื่อยๆ น, นะก็ทำไมไม่มีฟังทำไมไม่โอปนิพนธ์เข้ามาน้อมจิตเข้ามาในธรรมะในตอนนั้นเองเอาเอาวัยวะนะเองมันอ่อนทางวิปัสสนามันอ่อนอนสมัยความเพียนนั้นะมันไม่เคื่อบเคลือดทั้งตัวเรื่อยๆะนะมันเบวไวแต่เกิดมาได้พกใบชาด้นะยังไม่จำยังไม่หลบับนะนะยังไปนอนนรก อ, อีกทีนะนะ เป็นแปลเป็นสกตายอยที่นะนะในแหละไม่ลักตัวนะไม่ถอนตัวออกจากตลบนะไม่ลัดตัวนะนะรรมสวางโลทั้งงวันกัางคืนนะฮนะตัวของเรานั่งมากก็อนอยเดินมากค็เหนือยยืนนอนมากคนเนอยไนะไม่เปลี่ยนเอบทไม่ได้เนะนะต้องเรียกกินข้าวเรื่อยๆเถอะนะต้องบำรุงทุกอย่าง อาบนา้ำําระให้สะอาดนะเสื้อผ้าหนาแพ้นะมันเป็นทุกข์อย่างยึงเะอะนะพระพุทธเจ้ า, าท่านบอกว่าปัญจากขันขาตกขานะไปแก่ขันพาองเปรต น, นาสัญญาสังขารเป็นทุกข์อย่างยึงเถอะนะมันปรุงของหนักไม่ได้ไม่เหมือนพระอราหารันต์ขันปรุงได้นะจิตเบานะนั่นะอันนี้มันหนักลอยลยเดียวนะ ขันของสาวคนหนักพอแแล้วไหนขันของสาวใหม่ของผัวนะของเมยนะของลูกของเต้านะอ้าวขันรถขันลาหนะ้าเข้ามาอีกแล้วนะั่นทุกอย่างก็มัายุ่งในดวงเสต้ยงนะ่นเเรา ท, ทําโทษของเราเองแนะ่เราแก้เจนเราไม่ได้นะเชื่อใจเกล็ดทุตัวนะี่นะบอกว่ามรรคผลที่ผานเสื่อมแล้วนะ่ะมันเสริมณนทะี่ไหนนะ่ะเอาเกล็ดของตัวไปวัดนะนะองเอินหา ได้รับว่าเสื่อมนะนั่นะไม่เสื่อมนะถามท้าเกณฑขาวขาาา ก, นะนะวก็ไม่เสื่อมถามท่าเกณฑ์เทศนะองค์เดินๆนะหัวกะทิมันเสื่อมยังคงอยู่นะมันเสื่อมในหัวใจของคนนะเอาเกเรตไปวัดนะนั่นใะนตัวตายนคนไขคนะนั น, ะนเรือโอดใหญ่ในหัวใจของโตต่ตางหากเองสวางโล่ทั้งกลางวันกลางคืนนะท่าเก็ฑมันนะ มันแปลกออยู่นะมันน้อมคำมั่นมันน้อมออกได้ออกข้าไวข้างนอกได้น้อมข้างนอกเข้ามาข้างในได้โอปนิโคนะแตมันเห็นด้วยประจุวันอยู่นะประจตังอยู่นะทําไมมันเดินนะไอ้หัวใจนะไงเอาพุทโทธพทโอเอาสมาธาิเอาวิปัชนาไล่ อ, อปริ่างไพรของเอาไว้ัยวะนะสาขาทศสามหะออกจากดงจิตนะ มันเป็นทายใหญ่นะไงนั่งโมเสยว่าตัวทายมันแก่นบานแก่นวักผลในโลกถนะ้าติ ด, าสดสาราคาตัวตับหนั่นเรียกว่าบาเถนะจะแก่บาโด้วิธีไหนนะต้องเดินในสมถะแหววิปัสนาเถอะนะแก้บาแก้บาเมาดังลราคาโทรศัพติดพบติดขาดอยู่เรียกว่าเป็นบา้าซะแล้วเถอะของเราเนั่ยไม่ใช่ของเราเนี่ยว่าเราว่าเป็นของเราไปแล้วนั่น หากว่าของเราหนักเสื่ยงอ้าพอเสียใจหากว่าได้มาก็ดีใจอ้าวติดตายมาทุขาขันยงอัดตับานยงก็แล้วเนี่ยหยิดร้อนเถอนะอ้าวนั่งก็ติดตกนรกแน่นัก้อนหนักร้อนนั่งจุก็ร้อนนอนจุก็ร้อนเดินจุก็ร้อนเดอ้าวมือกายถ้าผากร้อนตึงเนี่ยอ้าวร้อนหนักร้อนหนัก มันบงังคับขาดมากันไปนะหัวใจ ว, นะวายไปเสียแล้วนั่นหัวยงาาังงานกับหัวใจอ่อนเสแล้วนั่นแล้ว้าโลกมันจรมาหาในอวัยวะหัวใจทุอย่างก็เกิดไม่ปู้ปนนะนโผงแน้าเรื่องปนะนต์เป็นในเสียแล้วนั่นเสียเคานะบูชาอะไรกันยุ่งในดวงกายในของอวัยวะของร่างกายเรานันะ่นไงเทมาโทษมันสอนเรื่อยอยู่เรื่อย อ, อยู่นะ ธรรมชาติมันสอนโยเทน น, นั้นธรรมะเป็นธรรมชาตินะธรรมชาติสอนโงพระพุทธเจ้าไม่มาเกิดก็สอนอยู่เช่นนั้นใ้ธรรมชาตินะ<ม>เดี๋ยวเนินนั่นเองนะพรทธเจ้าธรรมชาติปาจจุบนพระพุทธเจ้าบอกธรรมชาติปัจจุบันพะระอรหันต์ต้องฟังคําสอนของพุทธเจ้าจะก่อนซึงจะถัดรู้นะ เร่มมาสองอย่างครูทั้งสองอย่างครูธรรมชาติสอนหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นครูอีกสอนหนึ่งสอนทั้งสองครูด้วยนะแล้วแล้วพวกเรานะอ้าวมันคล้ายๆก็ช้าง้างเหลือหอนะช้างเหลือหอนะนั่นชางเหลือหอนะครูครูทสองครูธรรมชาติหนึ่งแล้วก็ครูพระพุทธเจ้าเดึ่งขรมานเสร็จไม่ได้คล้ายๆก็ช้างเหลือหอนะช่างเหลือหอนะดยนะได้ ตอนนี้ขอให้เข้าใจขอให้ทำความสงบไปเรื่อยไปไงบางกายบางกายเอื้อสุขภามันไหลออกนะมั่งออกนะเธอเนยกระตับใจใจผมก็ะใจมันไม่สว่างจังไงคล้ายๆเรามั่งเลือนนั่นมั่งเลือนนั่นเอออนเอาหนัเอานออกจัาปรุงอีกนะนั่น ั้นพระพุทธเจา้าจะประกาศในโลกทั้งหลายว่าถาคตนะตานยอดด้วนตานยอดด้วนเพราะพกอีกไม่ได้<ะ>พเพราะเป็งเล็แล้วนั<ะ>่นอันนี้มันแขงขังอยู่นะันฮะมันรุงอยู่เรื่อยๆนะร้อนอยู่เรื่อยๆนะนะหนักอยู่เรื่อยๆนะอะา<ะ>ไปเทงทุกขังด้ยจัง น, นันตาดกันเป็นอาวุธอุกฤษของพระพุทธเจา้าเป็นอาวุธอุธอกฤษของพระประเทรเียวนะ ผู้กลางในจางเหออานตาตัดกระแสของกิเลสได้ดที่ยงนางสือมู้ดไทยนะครบอกว่าชักสะพานชักสะพานมันชักไม่ปัจนาเนร้ยชักไปสมถะไม่ได้สมถะไม่อา จ, จใช้สำแ็จได้เทีเใยงคล้ายเอาห็นทับยานะเอาห็นออกแล้วยาเกิดชนอีกเลสมถะมันสำร็จตัวอีปัจจนาไอความกลาหานเที่ย ถอนแกลเนียนะทำละทำละว่าจะให้บริสุท์ะอาดนะวิปัสสนานะวิปัสสนาไม่ อ, อนันลอมตามแเลเดียตัดกระแสตัดกระแสได้ไดใจนะไม่อนันลอมตามแกลเดียใช่ไหมธรมธรรมันอ่อนลอมตามแกลเดอยู่นะมันหมายโนดหมายเล่ยอยู่นะนั่นตัดไม่ขาดวิปัสสนามันตัดขาดปดปัดปดปัดเถอะ น, นะ ตัดคาดจริงๆ้ลยนะตัดหลุกตัดเมือยเลนะตัดหัว้วยนะบดตัวไปน้าคนเลนะสม็จประหารนะเมื่อท่านทั้งหลายได้กระดับขับฟังเขนี้แล้วโอติโก น, นะพระ์โยีในของวัดนะวันนีน้ปฏิโบชาพุทธบูชาธรมามะบชาจังฆบูชานะขอแย่ในสองนานพระพุทิศาสนาโดยง่ายสุขวันกับสุนทเวลา สั ต, ตว์ธมะธรรมาวิสัตถนามาเอวังก็มีด้วยตัวสาระเดนเอ ง, งต่างของก็จะมาไกลายมาไกลายตั้งใจฟังตั้งใจฟังนะนี่ลนละน้าคณะอบาสกอบาศิการทั้งหลายนะ ไม่กลางพุทธการนั้นอบาสกุบาติกาในกล ย, ยกุทนั้นบิดดายศสกลมุดหนึ่งมารดาบิดดาหนึง่งและกับปัญญาหนึ่งนัง่นปัญญาณตนถึงพระกรายชนะคมตอนนาพุทธชมนาทเดียเนี่ยเนี่ยเนื่องมาแล้วก็ทีนางจะขาบินิกาเศรษฐีนะและอิปการหนึ่งกษัตริย์นะ่ะ แม้ถ้าพยาเธอนะพยาพิมพยาพิมพิสารดังพระเจ้าพระเศษกวนสนดันในก็จะนอกดนไม่มากม่แอดนั้นุาสกุา่เนี่ยนี่ยคือหมายความมากเข้าใจพุทธังสังฆฉาไม่พระเจ้าขอถึงซึ่งพระพธิ์เจ้ามันถึงยายดถึงยวาจาดถึงยนาใจด ไอ้กาได้ก็หมายความวไม่กลาบไม่ยวไหวนัดประการใดเถืองทางวาจานั้นวาหังสัมมาสัมพทโธนัดประการใดแม้ถืงใจนั้นและเตของอุบาสิกาโนมนึกถึงคุณพระสนักไรเน่ถึงเลยวินีเทีเดียวถืองเลยวิธีนี้นะแปลว่าไม่ถึงงถึงจังถึงถึงเอกเทศนะถึงเจงถึงจังนั้นหมายความว่าถึงโธนบัน สกปริตะขาอนณาคาในถึงเก่งถึงจางเมื่อเทไนคอยตั้งอกตั้งใจยาเธอเนี่ยนะอาตมาจะพูดนะนังสือมู้โตไทยของทนายจันมันทนายจันมันทนายจันมันฮนะถ้าเคยศรัทเป็นคณาจารย์ใหญ่เิเปลือยสารสน็จมากมายยาตะคุยยุเิเปลือสารสน็ทมากมายนั่นและเธอนี่ยนะ ทานการมันนะดนั้นแต่แต่หนังสือพุทธไทยคล้ายๆก็ได้ทราบแล้วได้ผ่านมาแล้วเป็นบางอย่างบางคนนะนะนั้ในเ น, นื้อลขนใดทางการมันไทยเปล่ า, าอัังมนุษย์สึกมนุษย์รานะไอ้ทั น, น อ, อนน์ันรอตัเนื้อะประชมอยู่ในมนุษย์นะไม่ไปคมอยู่ในสวรรค์ขุมมรลลกนะ อ, อยู่ในมนุษย์เทือนะั้แล้วเทานั้นะมนุษย์นะ่ะดีกว่า พรอนพระพรมมนุษย์ก็ดีกว่าบายพูมิทั้งสเทียนนรกและทรกัตว์สัจจาได้กว่าน่ะใละไอ้มนุษย์เนี่ยกตัวอย่างว่าประเทศไทยจ็ดจังหวัดในน่ะเป็นที่หมชมรถาฟอยู่ที่หัวลำโพงแห่งเดียวเดียวนะนั่นมาฉันใดอยู่ในมนุษย์น่สัมคัญอังมนุษย์เมนุษย์ลเียมมันออกจากมนุษย์ไป ออกจากรถไฟออกจากหัวลำโพงไปต่างจังหวัดเช่นนั้นหรืล่ะฉันได้ห้อยต่างอกต่างใจทันได้ความเป็นมนุษย์อันเลดแล้วเด็กก็ต้งองรอในความเป็นเด็กหนะึ่งนมก็รอใ้ความเป็นหนมแดงขมแ ก, ก่ก็รอดในความเป็นแกะนะ่ดั่งเนื้ล่ะฉันได้คล้ายคล้ายสไนส์าผ้าฉัดกที่ประณีตงามที่สุดนั้นประการใด ลายประการนังอันองสมแดพระพเมรภาอาวธรรมวินัยอันองสมแดพระพเมรภาคปัจจลุนะนะก็เป็นของเลิศนะของเลิศเดียวรอได้ทีนี้เคืองหมายความเสนหาจะคุยกันอาจะคุยกันได้นเสน่หาน่หาเป็นของเลิศนะนะเป็นของเมเดชาทุภาพมาแต่เดียวไหน ไปิไดบายภูมิดังสีด้เทนสัสศิณานะนันลกไม่ไ เ, เกิดแปลแตสุรกาศเสด็จสามไม่ไ เ, เกิดเอศิณาเนี่ยมีอำนาจเดชานุภาพมากเลยนะนั่นเดะฉันได้เอศิณาเนี่ยองสมเดพ ร, พราพุมเรียรภาคอาพระองค์นะประธานให้ครวาสฆราวาสจิต ก, การงานมากนะไหน ขวางโลกของเมียของผัวทุกอย่างให้เสียมากไม่ได้เพิ่งให้เพียงเส้นหานะนั่นเนื้อไอเส้นหานี่ได้ชำระในดวงจิตนะคนเป็นคนสมบัติของครหัตคณะอุบาสกุบาสิกาให้ตั้งใจตั้งใจรักษาเือนหา้าเทนะนั้นและการบำเพ็ญทานแทบาทแพกทุกวันในขวัดของพระเรียเจ้าท่านโดรบันในกลางพุทธกาล นะแล้วก็ภาวนาพุทโธอบรมในดวงเศรษนะดวงเศรษฐเทียคืองหมายความใหม่ราคาโทสะโมหะพินเจ้าเรือนของเศรษฐแล้วให้แปลไปต่างๆแล้วนั้นทำคทุมชัวไปต่างๆแล้วนะนั้นแยาอิปการหนึ่งอาศัยพุทโธนะพุทโธนะพุทโธนะธนะคือหมายความมา อ, อภินัยก่นะกำมุณงของพระน้าพุทธเจ้าไปตั้งในดวงเศรษนะ บริการพศทพศนะพธอำนาจพโแ ร, รงในดวงเกียนให้สะอาดเดียวนะนั่นสะอาดอุบาสกาสะอาดอุบาสิกาก็สะอาดนะนั่นอุบาสกอุบาสิกาท่านเหล่านี้นน ะ, ะรับราชญาตมาจากองค์สมเด็จพระพุทธบาพนะไม่ไม่ไม่เสื่อมไปจากโลกทเดียว อาจารยก่อสร้างทุกวันนี้ไม่บอดไม่เวหาใหญ่โตเถอะนะไม่ออกมาสกบาดุกาอ้าวมากันจำเสโทนานะยังก็เคลือคอค่อนอะยู่นะปฏิบัติมากันปฏิบัติเคลื่อ อ, อ, นะอนะยู่นั่นและอุกรณ์นะพระสมฆ์ก็ไม่เสริมไม่จําศาธนานะอ้าวไม่ภาุบูชาปวดกุณบุตรนะนั่นเ น, นะนือใดขันใดอุปสกอุปศกันนะถือเนื้อผู้หญิงผู้หญงนะ เป็นราเปนดาของพระพุทธเจ้าเเทาเรียนเี่โพู้ายเรื่องเราบาสิกมงกุฎราชกุ ม, มารนี่นะนั่นเนี่นไอ้ท่านเราเนียไอ้ยอใหญ่ยอใหญ่เป็นลกูนะลกกษัตริย์นะลกกษัตริย์ลกกษัตริย์ได้ทเรี้นไม่ใช่กษัตริย์โลกเอรเนี่ยโลกเอรเนี่ยยังไม่การเสด็จก็แก่เกีตกอาอยู่นะกษัตริย์เปล่าไม่ความอาพระพุทธเจ้าเทเรียนพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์โลกุตรณะนะนั่น เมื้อละขนาดก็เลยขาตั้ง อ, อกตั้งใจให้มากไอ้เทวเณรน้อยนิดเดียวนะนะสศาสนาสุนทรโณพรพระองค์มีอายุ80ปีนั่นไม่เหมือนศาสนาองค์อื่นนะอุชนทหก0มื่น 60, นะโคนคมโกนคมสะเท่หมือนกันจะโพสองเหมือ น, น, น, น, น, น, น, น, นที่ผ่านมาแล้วนะั่นแล้วก็ศ า, าสนาจ ะ, จะมีก็ร้อยแ0 0หมื่นทนั่น แลยอันละฉันดอยนะไอ้ เ, อ เ, อเวทวนะีะศาสนาสมบูณ์ะคนดมน้อยคือโซนนะตระ ถ, า, ถาจารย์ทั้งกล่าวคล้ายๆก็ฟาแลตปึ๊บไม่เดียวหายไปความเกิดความตายของเรานะแต่เนะดินละจะทันลักษา์ศิลจะทันบำเพ็ญทานภาวนาไดนะ้ยังได้ก็ทนันก็ไม่ทันก็เสียธาใหญ่นะนั่นะรียงเร่ขงขั้นขวายนะระหว่างนี้เรามาเรามาฆ้าหายเพียนะ่ะ ขาดทุนขาดทนอ ย, ายน่าได้ครั้งเยลยรวยก็รวยได้ยาได้ครั้งเลยแล้วนะขาดทุนหมายความยังไงเป็นหม่ขอาทฐิไม่เอื้อเต่อคนภราชนกลายในประการใหรวานั้นะหมายความยังไงอ่าเป็นสมาเิธินะแต่อืัอือต่อคนปราชนกลายบังเพลทพนะนานักษาถึงโธนาอันนี้เทวนานะลํารวยเทวเมลาคาูงสีิโสณนะ ไวตังอกตังใจให้มากระเดียวเี้เส็นงทานหนึ่งทนานข้างพุทการนัยกตัวอย่างว่านางเสกขอนะเงินเบญจกศิษฏ์ถือนะเข้าวัดน่าวันละสองครั้งเวลาเช้าท่านเข้าวัดน่ะเป็นนางเสกขอนะงิน พไปดูในวัดนะที่สำนักพริเจ้าประทับอยู่นะอาหารพอกันกินหรือเปล่านัตประการหนึ่งนางวสขาดฉลาดนะแล้วประการนะพระที่ออกจากอาวาตไปเดินดวนนะนาวสขาต้องเรียงสะกอนัตประการหนึ่งพระเข้ามาใหม่ไม่รู้แจากหัวทางเป็นธรรม า, านะนาวสกาต้องเรียงนัตประการหนึ่ง ในประการพิสงฆ์อาพาต์นางสาตงเรียงนัดประการนึ่งเวลาข้าวไปโดยพระเจ้าพระสงค์การรบสัลยบริบูรณ์แ ล, ละทุกอย่างในประการเดิถึงเวลาเย็นนัดนางสาภาามบริวารและคนอื่นเหมือนกันนะคนอื่นเหมือนกันขอดบ้บานนะนันถึงเวลาเย็นนะนั่น ได้ประกาศนกรุงสมบูรณ์นัอนอองสมแต่พระขมีภาพ พ, พ, พูดในพระไตรปิดกว่ามีบุคคลเจิดโกรธนะเจิดโกรธทีเดียวเอาไปพระา้านะก็ตายะละหนึ่งหนึ่งคนบางสองคนบางยิ่งทุกคนที่สุดนะวันสิบคเนเท่านั้นนั่นนื้อในการเป็นกันตายเป็นเช่นนี้ทีเดียวและที่นัเจเกิบโกรธนานเป็นพระโนดมันห น้าโกตะเป็นมิอขาเทือกหน้าถือศาสนานิโครนอีกถือโกตะนั่นสามโกนนะนั่นเนื้โกนนะนั่นเละขันรายพระเดีขอให้ตังอกตังใจให้มาเพลียเนื้อเข่าถึงเวลาเย็นมาอ่าไปถือดอกไม้เป็นกลมคนะอนะไปหาวัดของพระเจาประทับอยู่ แม้ระว่างทศนาโอบาสมุบาศิกาไปในครั้งนั้นทัศนานุาาตริยานะเ็นอ ง, ง์สมเด็จพระพระุทธพาสนาเพิ่มใจมาความงามพระองค์นะละัชนหมหาบโรถนะนั่นและอุปการณ์น่งนเราเสมอขยายออกมาจากตัวพระองค์อุปการ น, ะนั้นเนินนะเป็นแม่เหล็กสำคัญ ใครๆได้ทัศนาการเห็นแล้วคนหัวลุก ม, มาหัวคลองทะ ย, ยงนาวทะเดงทําเกตให้บริสุตธิต์เดีวยวนะน่ะแล้วก็เห็นพระพุทเจ้าก็หาขาไมา่เห็นสาวกไหนพมโมุณาอยู่ข้างซ้ายพระเสดบทอยู่ข้างขวานะนอนพระกัจจายนะนอนพระท่านนอนนอนพระเสด็บจบดเจ้ากัะชับนะ ไอ้ความเห็นอันนี่แเองแหละเรียกว่าทัฒนานพัฒนานุตรยัคเห็นยยมเดียวเมื่อเห็นยยมเชนนั้ยยยยยย น, นเกิดอริยญาณของจิตนะ น, นะพ้้องะยองกล่านนะเกิดก็ บ, บริสุทธ์นะทำละอันนี้วอนออกจากดวงจิตแล้ว น, น, ลนั่นแะล้วเธอเนี่ยหัวใจเป็นพอสนะที่เตะลองดับเอา พระสัตธรรมเทศนาขององค์สมเด็จระผูมีอภาพนะนันประการนับอธิการนะนั่นซึ่งสํา เ, เร็จแล้วนะกลางพุทธกานะนันเออประการโอพระพุทธเจ้าคนเทศนาวะหารนะพร้อมด้วยราชนะพร้อมด้วยวาจ า, ออนานของพระองค์นั้นครขลามกเสียงน ก, กเกระว่ายเสี๊ยบมาขึ้นโหนตนะแล้วพระองค์ก็ไถ่โทษสภาวดคนในแทนะนั่นเพื่อมาฟังธรรม บางคนนะพันคนบ้างถึงหมื่นคนบ้านนะ่ะพระองค์เห็นน้อใจว่าคนนี้มาฟังธรรมนี่จะสําร็จโชนบัญชี่คนระองรู้ในเด่นดันรู้ด้วยน้อมใจรู้ได้ทศพลนะดันและอุป ก, าการณ์องค์สมเด็จพระพุทธภาอแทฉนาไพาลเลาะในกลางตน้นไพ่เลาะในทรรกลางได้เบือสดนะข้อกัญยาสายของ พุทธนะบริษัทให้สำเร็จได้ที่นะนะพุทธนะบริษัทได้ฟังได้ฟังศาส น, น, น, นา่นมวาคำสอนของผู้ติจาวในรั่งนั้นเดิมอัตนนธธรรมนรนนะจิดลงสุภวังไหนสำหรโธนาบันมากม า, าทานนะีนะ่นี้เนื้ออาจารย์นะเนื้อยันได้ขอใอยตั้งองค์ตั้งใจตั้งใจให้รักโตนที่ตนนะ อางนมนุษย์สูงนะจะทอดตัวลงไปเอาไปผมกันเสริมไม่ได้ลนะนัน่นเผาจีกันล่องทางกันนะ่าเป็นตกนรกแน่แล้วทีนี้นะเป็นเผาอด้าอดนนะ้ํานะร้อยกับร้อยกันนะลอ่องทางเดในเขาจ้กววากวนนะนัน่นและอุปรกรณ์อาตุบก า, ายเป็นสาธเตขาจนด้วยตนเองไม่ได้ต้องอาศัยรับนโมทายาจีกญาที่ทำบุญหนึง่งในมนุษย์โลกนะ สัตแต่ะแข้ที่ใครก็รู้จักฮะเป็นจุุนาการมากมายยองไดึนก็มากมายเตอไตแผนเด่นไตเลือนก็มากมายเนอระดัะนั้นกัวของพวกนา้นน่ะหากวไม่มือสินมือทานไม่โทนาแล้วไหนจะต้องตกไปพนมแนนอนเดียวนน้เนอและจะถอดตัวลงไปอาบไปพรมยายาเ้อนะ ให้บริสิณไมอทำไม่กัญาพิเดีจะไบิเกิดบนสวรรค์เทวโลกแค่นะนะนี่ละฉันได้คุณดีขอตั้งอกตั้งใจให้มากใหัวใจของเรานะอย่าให้เป็นอนานะอาควเกจ้ามาพะทะหรือดวงจิตนะนั่ระวางนั้นเรากำลังไหวน้ำมาสมุดนะกว่างใหญ่คว่างใหญ่นะไหวน้มืสองคะแนนนะ คนไหนว่ายน้ําไม่หอนมาอย่างดึนเดินไปแมถึงฝั่งได้แค่ทะเลถึงฝั่งนิพานนะนั่นคนไหนไม่มีพธิ์อในดวงจิตแล้วด้วยไหายน้ําด้วยกําลังตัวนะนั่หมดกําลังแล้วจมน้ํำไอเทวเวสเป็นของทหารของเต่าของปลาไปแล้วนั่นเนิละห้อยตังหงตังใจมือทอนทั้งหลายทังได้สนับสนับฟังศาสนาว่าเขามาสอนของพระเจ้าแล้ว โอป้ปณิกรนสสิยนายนของวัดนะปฏิปเิโบชาปุโบชาธรรมะโบชาสังฆโบชานะคอยแ้งอันใดสอนายพนักุทธาสนาดยงายต้งพวันกับสันละเวลาดัชอรตมะอรรมาวิสัชนามามาแอวังก็ไม่ด้วยประการเสน่หเหมืนดัสอาการชันาทด ว, าเวนน้เวัน แล้วก็ถาวายเภสัชน่ะยาแก้ไขนะ okay, น่ะเฉนาชนะเด่งอย่างสีอย่างเ้นะ่ะเป็นภาษา